เรือนว่างในที่นั้นท่านหมายถึงว่าไม่มีสาระของความงามไม่มีสาระออไม่มีสาระของความเที่ยงไม่มีสาระตรงนั้นหรือไปคนดูในรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยไม่มีสาระเลยในนั้นเลยนีตรงนี้พอท่านดำริในลักษณะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทิ้งทรัพย์หลายร้อยโกดให้ฝูงชน ที่มีที่พึ่งและไม่มีที่พึ่งแล้วก็รีบเข้าไปสู่ป่าหิมพานเลยอย่างเงี้ยเนี่ยท่านก็เนี่ยเนี่ยคื อ, ค, อ, ค, อ, ค, อคือการคิดมุมของพอบริสัท์สรุปก็คือว่าท่านแสวงหาอริยสัจนั่นเองท่านคิดอริยสัจถ้าเรามาศึกษาในชั้นของคำสอนตรงเนี้ยนะในด้านของจิตตานุปัสสนาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าในกรณีที่คาสอนของพระบรมศาสดาสอนในเรื่องของการ พิจารณารู ป, ปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะที่เราศึกษาในด้านของจิตตานุปัสสนาแล้วเนี่ยท่านพูดถึงในเรื่องของถ้ารูปเนี่ยท่านก็พูดถึงในส่วนของที่เราขยายแล้วก็ศึกษากันมาเนี่ยนะในส่วนของรูปรู ป, ปขันต่างๆเหล่านี้ก็ขยายไปในรายละเอียดในรายละเอียดของรู ป, ปขันเนี่ยก็ท่านบอกว่ากรณีที่จะมากําหนดเกี่ยวเรื่องของนามขันเนี่ยนะ เกในเรื่องของจิตหรือในเรื่องของนามกรรมฐานเนี่ยรูปกรรมฐานต้องแข็งแรงดังกล่าวแล้วเพราะว่ารูปนั้นเป็นธรรมชาติที่ยากกว่านาม2 ส, ส่วนนะทั้งสุขาวิปัสสกาและก็สมถายานิสโดยเฉพาะถ้าหากว่าสุขาวิปัสสกาเนี่ยถ้ารูปกรรมฐานไม่สะอาดไม่หมดจดเขาเรียกว่ารูปปริกหากาการกําหนดรูปไม่บริสุทธิ์ไม่หมดจดแล้วเนี่ยพอไปกําหนดอรูปหรือกําหนดนามกรรมฐานแล้วก็จะไม่ ไม่ไม่ดีเลยนะในส่วนจริงก็คือว่าน้ําก็พลอยพังรูป ก, ก็ไม่ได้รูปทีเ่เคยได้มาก็พังไปด้วยทั้นท่านถึงบอกว่าถึงแม้ว่าเราเคยไข้ควรแต่ถ้าหากว่าเราวิจัยไปเรื่อยๆต่างๆเหล่ า, า, านี้วิจัยได้ทุกเรื่องนะแต่ถ้าเอาเป็นกิจจลักษณะเนี่ยในชั้นของคำพี์วิสุทธิมรรคก็ดีหรือแม้คัมพีร อ, อื่นๆเนี่ยนะประกอบไวนะ้เนี่ยหรือว่าในทางด้านการประพฤติปฏิบัติจริงๆก็นั่นแหละรูปกรรมฐานต้องต้องหมดจด ชัดเจนดีแล้วดังที่ได้ยกตัวอย่างมาหลายๆครั้งทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของการกําหนดรูปธรรมทั้งหลายเราเนี่ยนะที่กล่าวบอกว่าในบรรดารูปเหล่านั้นนะนะโดยการสืบต่อโดยการโดยขณะก็ชื่อว่าเป็นรูปอดีตบ้างปัจจุบันแล้วก็รูปอนาคตเป็นต้นเหล่านี้นะคือลักษณะของรูปธรรมทั้งหลายใช่ไหมการเกิดขึ้นของรูปธรรมที่เกิดก่อนกับรูปธรรมที่เกิดหลังใช่ไหม รูปเนี่ยจะถูกโจมตีช่วงถีติขนาดคือธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับเขาเนี่ยนะธรรมที่ตรงข้ามกับเขาก็คือความเย็นและความร้อนเป็นต้นเหล่านี้จะทำให้มีการวิบัติ เ, เขาเรียกว่ารูปธระม ท, ที่เกิดก่อนและรูปประม ท, ที่เกิดหลังๆถ้าในชั้นของคำสอนเนี่ยนะในกรณีาการกาหนดเนี่ยนะในเดือนของถ้ามองมองในชั้นของคำสอนท่านจะใช้คาหลักจริงๆก็คือในสติปัฏฐานนี่แหละ ที่มาจากคาว่าอิติรูปังเป็นต้นเหล่านี้ที่ใช้แค่คําว่านี้รูปประธรรมนี้เหตุเกิดของรูปธรรมนี้ความดับของรูปธรรมนี้เวทนานี้เหตุเกิดของเวทนานี้ความดับของเวทนานี้สัญญานี้เหตุเกิดของสัญญานี้ความดับแห่งสัญญานี้สังขานี้เหตุเกิดของสังขานี้ความดับแห่งสังขานี้วิญญาณตอนนี้เราศึกษาการเกิดนี้วิญญาณก็รู้จักวิญญาณที่เป็น เป็นตัวทุกขสัตว์ทั้งหมดกําลังศึกษาเรื่องทุกขสัตว์นะวิญญาณที่เป็นทุกขสัตว์นะจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะปราศจากโทสะเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเรามาใคร้ควรมาวิจัยเรื่องทุกขสัตว์เพราะท่านเอาโลกียะจิตทั้งหมดใช่ไหมถ้าไปดูในคําสอนบอกว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะเนี่ยอโลกยะจิตทั้งหมดนะ ราคานี่หมายถึงโลภะแปดวงใช่ไหมปราศจากราคาก็นอกจากนั้นจิตมีโทสะกับปราศจากโทสะจิตที่มีโทสะจิตที่ประกอบกับโทสะสองนอกจากนั้นก็ปราศจากโทสะจิตมีโมหะแล้วก็ปราศจากโมหะตรงนี้ก็คือตัวโมหะเนี่ยกล่าวสองนัยยะดังกล่าวแล้วในส่วนของโมหะที่ประกอบเดี๋ยวท่านจะไปขยายอีกทีและปราศจากโมหะ ในย่านหนึ่งก็คือเอาอกุศล12ไปเลยเพราะจิตมีโมหะหมดเลยเนื้อนอกนั้นก็ปราศจากโมหะแต่เอาชั้นก้องโลกียะจิตโททูนะจิตโททูแล้วก็กระรูชัดจิตฟุ้งซ่านกระรูชัดจิตเป็นมากะตาจิตไม่เป็นมากะตาจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าตอนนี้เราวิจัยมาหมดแล้วแล้วก็จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นหลุดพ้นนี้มี2ลักษณะคือต่ทางข้ากบวิขัมพะนะไม่เอาสมุทเชทะ เพราะในที่นี้ท่านเอากลุ่มของโลกิยจิต81พร้อมทั้งเจตสิก ท, ที่ประกอบ52 52นะ 52. แต่ถ้าจะไปแยกว่าเออหเว้นสมุทยาสัจจะเว้นเว้นตัณหาไปเป็นทุกขสัจจะนั้นะที่จริงก็คือเอาหมดเลยเอาเอา52เลยแต่นั้นก็ไปแยกเฉพาะบุคคล บุคคลที่ได้ฌานไม่ได้ฌานก็ว่ากันไปในกรณีการที่จะไปไข้ควรให้ชัดเจน ต, ต่างๆตรงนี้ก็นั่นแหละคือพูดถึงในเรื่องของจิตตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธองค์ได้แสดงทำแก่ภิกษุเพื่อให้ปฏิบัติเพื่อกําหนดซ้ซําๆบอกว่าสภาวธรรมก็คืออุปาทานขันหนะ้าเนี่ยบอกนี้โลภธรรมนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขาร น, นี้วิญญาณในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะนะ ขันธบ พ, พ้าเนี่ยในมหาสติปฐานสูตรใจความสำคัญที่ ท, ทรงแสดงนั้นพระตถาคีกาก็กล่าวไว้บอกว่าอิติรูปังนิรูปธรรมเป็นต้นอิติเวทนานิเวทนาอิติสัญญาก็นิสัญญาอิติสังขาราก็นิสังขารอิติวิญญาณังก็คือนิวิญญาณในการทรงกล่าวคำนำเหล่านั้นนะภิกษุผู้ปฏิบัติที่จะต้องรอบรู้ก็คืออุปาทานขันห รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสัง ข, ขารลขันวิญญาณขันกำหนดรู้ด้วยอะไรด้วยสัมมาทิฏฐิญาณนะคือประสงค์ให้เริ่มจากการกำหนดอะไรกำหนดภาวะก็คือสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของรูปที่เกิดก่อนๆท่านเกี่ยวในเรื่องรูปธรรมใชม่และก็รูปที่เกิดหลังๆที่ไม่เหมือนกันเพราะความเย็นและความร้อนนี่นแหละที่เป็นมหาโพธรูปและอุปาทรูปว่านี้รูปธรรม รูปธรรมก็มีเพียงเท่านี้รูปธรรมไม่มีมากหรือน้อยไปกว่านี้นะแล้วกําหนดรูปธรรมทั้งหมดน่ะไม่ไม่ไม่มีไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่โดยไม่มีส่วนเหลือโดยลักษณะโดยกิจโดยอาการปรากฏแล้วก็โดยประฐานคือจะต้องรู้รูปธรรมทั้งหมดไหมต้องหมดทั้งประเภทลักษณะรักษาปเระญประธานประธานแม้เวทนาก็กาหนดไปในลักษณะอย่างนี้ แม้สัญญาสังขารและวิญญาณตรงนี้แหละพอไปพูดถึงให้ให้ใ ร, รู้ลักษณะรู้ลักษาลักษณะและกิจปัจปจุบาัานและประทาฐานเนี่ยตรงนี้นี่แหละในหลายหลายแห่งก็กเลยไปพอเลยตรงนี้เบีดเสร็จก็รีบกระโดดไปเลยเนียกระโดดไปเลยเพราะไปจับประเด็นคำสอนพลาด จะประเด็นคําสอนภาดก็ไปจับตรงที่บอกว่าฟังแล้วบรรลุทันทีแล้วในนั้นไม่บอกสภาวะลักษณะของตนของตนขอ ง, ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไว้เลยหารู้ไม่ว่าเวลาท่านกล่าวถึงอุคติ ต, ตัญญูวิบจิตตัญยูเนี่ยท่านสั่งสมมาเป็นอัธยาศัยท่านฟังอีกอย่างหนึ่งท่านสามารถที่จะเชื่อมโยงอย่างหนึ่งได้แล้วเพราะยานปัญญาของท่านเหล่านั้นไม่ธรรมดาแล้วอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้กรณีอย่างนี้ก็คือการใส่ใจในคำสอนที่ท่านกล่าวไว้ในชั้นของพระธรราจารย์พระดีกาจารย์ทั้งหลายเราเนี้ยนะถ้าบอกว่านี้วิญญาณ น, นี้วิญญาณมีวิญญาณไม่มากหรือน้อยไปกว่า น, นี้ก็แปลว่าต้องกำหนดทั้งลักษณะของวิญญาณกิจของวิญญาณอาการปรากฏของวิญญาณแล้วเหตุใกล้ของวิญญาณมันถึงจะเป็นเรื่องการกำหนดเกี่ยวเรื่องของวิญญาณวิญญาณธรรม ทีนี้พอกําหนดวิญญาณธรรมนะจะไปกระทบเฉพาะวิญญาณธรรมอย่างเดียวไม่ได้ต้องกําหนดเจตสิกธรรมที่อยู่ในวิญญาณนั้นด้วยเพราะต้องไปยึดโยงกันกับในอริยกถาของเวทนานุปัสนาติปทานที่ท่านบอกว่าวิญญาเวทนาปรากฏผสัสสะปรากฏวิญญาณปรากฏท่านจึงบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแต่วิญญาณเท่านั้นแม้ผัสสะก็มีอยู่ในนั้นแหละธรรมชาติที่กระทบอารมณ์แม้เวทนาธรรมชาติที่สวยรสของอารมณ์ก็อยู่ในนั้น แม้สัญญาธรรมชาติที่จำอารมณ์ก็อยู่ในนั้นแม้สังขารธรรมชาติที่ปรุงแต่งหรือเจตนาธรรมชาติที่กระตุน้นเตือนชักนําสัมยุทธธรรมเข้าสู่อารมณ์เนี่ยก็อยู่ในนั้นอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจอย่างนี้เบื้องต้นก็จะได้เข้าใจว่ากําหนดวิญญาณจิตมีราคาจิตปราศจากราคาจริงแต่ต้องกําหนดทมที่เกิดร่วมกับวิญญาณด้วยโดยลักษณะด้วยโดยรักษาด้วยโดยปัจจุบฐานโดยประทัดฐานด้วย พะจะมองเห็นไหมนี่คือวิญญาณไงคือวิญญาณเพราะที่สุดจริงๆจะต้องไปรอบรู้ขันห้าว่าเป็นโจรเป็นมหาโจรเป็นทุกข์สัตว์ว่าเป็นธรรมที่ไม่น่ายินดีไม่น่าเพิดเพลินเพราะการรู้ของเรายัางไม่เพียงพอต่อการถ่ายถอนเพราะความไม่สะอาดของจิตจิตยังสกรปรกอยู่ยังไม่เห็นความเป็นจริงของของขันขันห้าเรานั้นอย่างชัดเจนพอไม่เห็นอย่างชัดเจนแหะ การสลัดทิ้งจึงไม่เป็นสมุเทเฉทะจึงไม่เป็นสมุเทเฉทประหารเพราะเราเห็นแบบไม่ต่อเนื่องนั่นประการหนึ่งเห็นด้วยจิตไม่สะอาดนั่นประการหนึ่งและก็ไม่ได้เห็นบ่อยๆแล้วแล้วเล่าๆอย่างหนึง่งและก็ไม่ได้ใส่ใจเป็นไปตามลำดับของการปฏิบัตินั่นอย่างหนึง่งนี่จบเลยนะเนี่ยที่พูดพูดมาพอจะเรี้ยงในความคิดเนี่ยนะอย่างนี้จบเลยแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของการต้องใครควรแล้วใครควรอีก ใส่ใจแล้วใส่ใจอีกแล้วเป็นเรื่องการเอาจริงนะไม่ใช่ไม่จริงนะเนี่ยการการเข้าถึงคาสอนเนี่ยไม่ใช่เป็นของเล่นเล่นกันเลยแหละเป็นของเอาจริงๆแล้วก็คือว่าเขาเห็นโทษจริงๆเขาเห็นโทษจริงๆว่าขันห้าเนี่ยเป็นเป็นโทษถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ถึงจะชัดนี่ถ้าหากว่าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ ก, ก็ชัดเจนแล้ว นี่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าท่านใช้คำว่ามาสรุปตรงนี้นะว่าปริยาตคือการศึกษาท่องจำคำสอนช่้ามาสวนาการฟังอัตถกถาอันเป็นอัดและการฟังพระธรรมพระบาลีและคำสอนต่างๆเหล่านี้คือสวนาก็คือการฟังฟังพุทธพจน์ฟังอัตถกถาฟังดีกาต่างๆเหล่านี้นะนี่คือสวนะปริพุจธาการถามบทยาก บทยากเนี่ยการอธิบายความที่ยากก็บาลีท่านใช้คำว่าไงบทที่ยากนี่ดูบาลีนี่เขาเรียกว่าปทัตถะปทัตถะนี่ก็คือเนื้อความของบทน่เนื้อความของพระบาลีของบทเน่ยเขาเรียกปทัตถะและคําตัดสินความขยายความเขาเรียกว่าอธิบายยะถาก็คือ อธิบายคำที่ยากในพระบาลีและในในภรษาอักถรเนี่ยนะเนี่ยต้องกรณีอย่างเงี้ยปริปุฉาเพราะถ้าเราไม่เจาะศรัทธาพระบาลีนะบทต่างๆไม่ให้เข้าใจเข้าใจสับเข้าใจเนื้อความต่างๆหรือเข้าใจอัถะของศัพหรือหรือเนื้อความหรือพยัญชนะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เข้าถึงอัถะและสภาวะ การจะเจาะหญิงสภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่มีล่องลอยแห่งการที่เราจะเดินเข้าไปเจาะทะลุทะลวงด้วยยานปัญญากล่าวคือสมาธิฏิยานะเป็นต้นได้เห็นไหมในยุคหลังๆเนี่ยจึงเป็นความเป็นความยากพอสมควรเลยนะสําหรับบุคคลที่จะมาสืบค้นคําสอนจะมาสืบค้นคําสอนที่จะอาหารเข้าใจไม่สู้ยาก ไม่สู้ยากแล้วแต่ลำดับแห่งการเราฟังลำดับแห่งการเทศนาเราก็ฟังแต่ลำดับแห่งการปฏิบัติล่ะเนี่ยลำดับแห่งการปฏิบัติวัยจะเริ่มต้นยังไงถ้าเราเราดูไม่ดีนี่นะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในรูปปริหากหักการกําหนดรูปธรรมเนี่ยในชั้นของชั้นของนามนา ช, นชั้นที่เราจะมาเดินจิตตานุปัสสนานี่นะถ้าบอกว่าถ้าผู้ปฏิบัติเป็นสุทธะ สุท่าวิปัสสนาเนีเป็นสุท่าวิปัสสนาญาณิกก็เท่ากับเป็นสุดท้าหรือสูวิสุท้ารูปปริคหะกะสูวิสุดท้ารูปปริคหะกะก็คือว่าผู้กําหนดรู ป, ปรธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดมาดีแล้วเหตุผลก็คือว่าสามารถที่จะกําหนดรู ป, ปรธรรมทั้งหมดทั้งมหาพูดและอุปาทายลูก โดยสรุปก็คือในจักขู่ภาษาโสตประสาทคณะภาษาชิวหาประษาเนี่ยนะกายาภาษาในสัญดานของสัตว์ทั้งหลายนีในรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นที่อาศัยของกลุ่มของนามธรรมสมมุติว่าถ้าเราจะศึกษากรณีของจิตที่จิตตาในปัสนาใช่ไหมถ้าเราไม่รู้พวกจักขู่ภาษาโสตประสาทคณะภาษาชิวหาภาษากายาภาษาและหัตยโยถูให้ดีนะ เพราะว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะนามธรรมและกลุ่มนามธรรมนีกลุ่มนามธรรมที่อาศัยจักรคูประสาทมีกลุ่มนามธรรมคือจักรคูวิญญาณโซตาวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณและกำหนวญาณวิถีเป็นต้นอะไรเนี่ยเห็นไหมไอ้กรณีสูตรท่าวสุตท่าวิปัสสนานิการเนี่ยเขาเรียกกาหนดรูปธรรมมาดีแปลว่ากลุ่มรูปธรรมหมดจดแล้ว ทีนี้พอขึ้นสู่ชั้นของการกําหนดนามมรทำที่เป็นไปตามทวารต่างๆที่เป็นไปจังจกักุทวารลวิถีเพราะต้องการจะเห็นอะไรเขออาว่าทางด้านของทางตาเขาเรียก ท, ทัศนสันตติคือการเกิดขึ้นสืบต่อกันของทวารตาของจักขุทวารแวิถีเชื่อมลงสู่มโนทวารแวิถีแล้วก็สวรนาสันตติคือการสืบต่อออกันของ โสตทวารวิถีเชื่อมลงสู่ทางมโนทวารวิถีคายนาสันตติคือการืเกิดขึ้นสืบต่อของของกายนทวารวิถีเชื่อมลงสู่มโนทวารวิถีแล้วก็สายนาสันตติคือการสืบต่อการเกิดขึ้นสืบต่อของรูปนามขันธ์หาทั้งหลายที่เป็นไปทางเนี่ยชี่ยวหาทวารวิถีลงสู่มโนทวารวิถีพุทสนะสันตติคือการเกิดขึ้นสืบต่อของกายทวารวิถีใช่ไหม เชื่อมลงสู่มโนวทวารลัพธิแล้วก็จินตนาสันตติการสืบต่อกันของมโนวทวารลัพธิถามว่าสิ่งต่างๆเหลา่านี้ต้องอาศัยความหมวดจดจากรูปธรรมแล้วทั้งนั้นแหละมันถึงจะเห็นการเกิดขึ้นสืบต่อกันของนามธรรมาถ้าอย่างนั้นสันตติสันต ต, น ต, ติในส่วนของรูปประสันตติไม่ชัดแล้วรวบกลุ่มกลุ่มเกาะรูปธรรมที่เกิดก่อนๆกับรูปธรรมที่เกิดหลังๆเนี่ย สันตติของรูปเหล่านั้นก็ไม่ถูกแยกไม่ถูกแยกและไม่ถูกวิจัยไม่เห็นความไม่เห็นความสืบต่อเป็นไปแล้วก็เราอยู่นั่นแหละรูปธรรม ท, ที่ขึ้นรถมารูปธรรม ท, ที่ลดเดินลงรถรูปธรรม ท, ที่ขึ้นลิฟต์มารูปธรรม ท, ที่เข้ามาในห้องฟังพระธรรมรูปธรรม ท, ที่กําลังฟัง Chat ไปอยู่ความสืบต่อของรูปธรรมเหล่านี้ไม่เห็นความเป็นไปของรู ป, ประธรรมแล้วนามธรรมละเอียดกว่านั้ น, นอีกจบเลยตัวเนี้ยนามธรรมที่เป็นไปทาง จากขูทวารวิถีโสตทวารวิถีคานทวารวิถีชูหาทวารวิถีกายยทวารวิถีและมโนทวารวิถีเห็นไหมสันตติเหล่านี้ก็เรียกว่าสันตติคณะสันตติสันตติคณะหรือสันตติบัญญัติเนี่ยการบัญญัติว่าการสืบต่อกันทั้งหลายเนี่ยรู ป, ปรสันฐานนามสันตติต่างๆเหล่านี้ความสืบต่อไม่เห็นแล้วก็ไม่ถูกแยกไม่ถูกกระจายออกแล้วแล้วอะไรคือการปฏิบัติ อะไรคือการปฏิบัติใช่ไหมนี่เพรา ะ, านนะใช่เพราะการาาการใส่ใจไม่ต่อเนื่องการใส่ใจไม่ต่อเนื่องนั่นข้อมูลต้องต้องดีตรงนี้นและอย่างหนึ่งนะนอกจากยกตัวอย่างเช่นว่าพวังผวังก็จะนะนะวังคู่ปเบจทะปัญจทวาราวัชนะ จักคูญญาณสัมปติชนะสันติรณะวัฏฏปนะชาวณตถาลามณนะลงพวังต้องย้อนกลับไปดูในอัตถกถาสามัญผลสูตรบ้างหรือไปดูในสติปัฏฐานในด้านของสัมชัญญะาบเห็นไหนั่นแหละคือการสืบค้นขณนะการสืบต่อของนามธรรมไม่ถ้าหากะจะเจาะในด้านของในนามธรรมเนี่ยมันจะอยู่ในข้อสมมติเอาข้อแรกของวิจัยเนี่ยจิตมีราคะ ก็แปลว่าชาวนานั่นแหละจิตมีราคาจิตปราศจากราคาก็ในกลุ่มวิถีเหล่านั้นที่ไม่มีราคาตั้งแต่วิถีมุตจิตแล้วขึ้นสู่วิถีจิตที่เป็นปัญจทวารเราชนะที่เป็นจกักขูยวิญญาณที่เป็นสัมปติชนะที่เป็นสันติชนะที่เป็นวัฏฏพนะแล้วไปสรุปตอนท้ายเป็นตาทารมนะแล้วนะลงมาวังอันนี้คือจิตปราศจากราคาในวิถีนี้จนมีราคาก็คือพวกชาวนาชาวนะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหม จิตมีราคากัจิตปราศจากราคาอันเป็นไปตามทวารแบบนี้นะเป็นไปตามทวารแบบนี้นะจำไหมถ้ามองอย่างนี้นจะชัดมันเป็นไปตามหลักที่เราค่ายควรกันมาศึกษากันมาพอมองเห็นไหมแต่ยากไหมเนี่ย <c oughs> นีสันตติขณะจนชัดเจนในสันตติคณะนี่นะนะาคก็สมูหะ เพราะไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่จิตมีราจิตอย่างเดียวที่ไม่ใช่ราคะจิตอย่างเดียวนะในวิญ ญ, ญาณนั้นมีภัสสะอยู่ด้วยต้องการจะไปข้อกระจายอะไรเนะี่ยไปกระจายสมุหะไอ้ความเป็นก้อนของน้ำไอ้ความเป็นก้อนของรูปไอ้ความเป็นก้อนของรูปเนี่ยนะความเป็นกลุ่มของรูปก็เนี่ยต้องไปกระจายอวินิโพนถ้างั้นก็เรียบร้อยดูเมื่อไหร่ก็เนี่ยดอกไม้ดูเมื่อไหร่กันเนี่ย อะไรไปเนี่ยเครื่องอาจอ้อยย่อ oh, <yeah. S 2> กระจายไม่ได้กระจายไม่ได้สมูหะก็ไม่แตกไม่ถูกทําลายใช้อะไรไปทําลายใช้ปัญญาปัญญานี่แหละญานปัญญาที่มีสติและสัมปชัญญะมีสตินั่นเป็นตัวระลึกอยู่ตลอดนั่แหละระลึกอย่างมั่นคงเลยระลึกแบบว่าดิง่งในรมนี่แหละก็ตามระลึกอยู่เนี้ยตามระลึกเนี่ยจนกระจายให้ได้ พะไม่กระจายก็ล็อกอารมณ์ไว้นั้นรักษาอารมณ์ไว้นั้นก็หมายความว่าตามอารมณ์นั้นไปอย่างเงี้ยไข้ควรอยู่อย่างเงี้ยถามเห็นไหมแบบนี้สั่นหน้าอะไเงียเราไม่เห็นพระอริยะท่านเห็นหมดแล้วท่านทำอย่างนี้ท่านทำอย่างนั้ น, น, นอย่างเราเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมตามอารมณ์เออตามอะไรนะตามแต่เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้น อนั่งรถไปพออะไรลอยมาก็กำหนดสทสนทีพอคิดอะไรได้ก็กำหนดสทสนทีแล้วอะไรคือการต่อเนื่องการต่อเนื่องไม่มีการต่อเนื่องไม่มีออมมโอเคเขาเรียกว่าซ้อมน้อยแต่อยากได้จากอยากได้อยากได้เป็นแชมป์โลกซ้อมน้อยอยากเป็นแชมป์ <c oughs> ใช่ไ้ย ซ้อมน้อยแต่อยากเป็นแชมป์ <Maced 'm noise> พอมองเห็นหีือยังเนี่ย <square> ถ้าอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเห็นอ๋อจะเป็นอย่างนี้ต่อไปทำไงดีต่อไปต้องต้องไข้ควรมากกว่าเดิมจริงนะ ซอมน้อยไม่ได้แล้วงานนี้ใช่ไหมแพ้แน่แพ้แน่แแนอนเพราะที่เราไปอ่านแล้วเราชื่นใจตรงที่เขาฟังได้สองสามประโยคน์เขาบรรลุไงแต่นั้นมันไม่ใช่เราล็อกไว้เลยนะไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเลยถ้าอย่างนั้นยุคนี้ยุคนี้ต้องเพียนกรัดบนเลยนะต้องระดมความเพียนขนาดน่ะถ้าบอกว่า เราก็ค่อยบ่มไปอย่างนี้จะเป็นบารมีไหมเป็นไม่เป็นพอจะเป็นบารมีได้ไหมก็น่าจะเป็นนะแต่ต้องเป็นกุศลนะแล้วต้องปรารถนาความพ้นทุกข์ตรงนี้ท่านถึงบอกไงบอกว่าไอ้บ ปัญจทวารเรชนะจากวิญญาคือจริงๆคือเขาสมรวจหาคณนะอ๋อก็ต้องการไปวิจัยว่าไม่ใช่แต่วิญญาณเท่านั้นแม้ผัสสะก็อยู่ในนั้นต้องการที่จะกระจายกลุ่มก้อนของนม้ม ใช่ๆ ช, ช่ทำไมล่เอามาฟังฟังคำถามยังจบไปดิคือคืออย่างนี้คีด แ, แรกคือการที่จริงการแยกเนี่ยนะแยกสองลักษณะลักษณะที่เป็นวิถีมุตจิตการลักษณะที่เป็นวิถีจิต<ล>ใช่มั้ย ใช่ใช่นั่นแหละ ค, คือแยกลักษณะอย่างนั้นให้เห็นความความทำไมทำไมจึงต้องต้องแยกทั้งวิถีมุตจิตและวิถีจิตรู้ ไ, ไเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้เพลินอยู่ในวิถีมุตจิตนานหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ค่อยรู้เลยเนี่ย<ม>ชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ค่อยขึ้นสู่วิถี หรือขึ้นสู่วิถีก็เป็นการมนุิยการเห่งการขึ้นสู่วิถีทีท่เป็นบาปเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเขาถึงให้รู้ทั้งสองท่านถึงใช้คําว่าวิถีมุติจิตและวิถีจิตแต่วิถีมุติจิตเนี่ยเห็นยากใหม่ๆเนี่ยเข้าใจ ย, ยากใช่ไหมแต่จริงๆมันก็ต้องรู้และเข้าใจทั้งหมดรู้และเข้าใจทั้งหมดด้วยเห็นไหมท่านทางนั้นท่านจะสอนมางแต่ปฏิสนธิผวังใช่ไหมตามลําดับเลยปฏิสนธิผวังมาตามลําดับเลย แล้วก็จุติใช่ไหมปฏิสนธิประวังจุติมีกรรมมาอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่รับมาจากพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์เนี่ยเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจมุมของปฏิสนธิประวังจุติไว้เพราะว่าการที่จะผันแปรขึ้นสู่อาวชนะแห่งการพิจารณาอารมณ์ใหม่กรณีนี้เป็นจิตกลุ่มจิตปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะใช่ไหม จิตเหล่านี้จิตพ่อกลุ่มพวังก็จิตเ ป, เป็นต้นเหล่านี้ยเป็นจิตที่อยู่กลุ่มปราศจากหมดเลยาาาเชาวนะชวนาะชาวนะเท่านั้นถ้าราคากานะระก็ในชาวนะโทสะก็ในชาวนานั่นแหละนั่นแหละไม่ใช่ชาวเนนนะนะนนก็เป็นพวกวิบากจิตพว ก, กริยาจิตไปอย่างเงี้ยใช่ไหม แม้ในวิถีนั้นนั่นแหละก็ต้องมีความเข้าใจอย่างดีต้องมีความเข้าใจอย่างดีถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็ ก, ก็ก็ยุ่งแล้วทีนี้ดังนั้นหากยังไม่สามารถกําหนดรู้วัตถุอันเป็นที่อาศัยของนามธรรมเหล่านั้นและไม่สามารถที่จะกําหนดพวกพวังเนี่ยนะนะ ถ้าไม่สามารถกำหนดรูปเหล่านั้นได้ก็ยังห่างไกลต่อญาณที่จะเข้าไปถึงสภาวะความจริงของปรมัตถธรรมได้เพราะจักไม่สามารถทำลายกลุ่มคณะสัญญาคือความเป็นกลุ่มก้อนของนามได้นั้นเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่เข้าใจกระบวนการการเกิดขึ้นตืดต่อไปน่ะสันตติคณะไม่ถูกทำลายและไม่เจาะ คณะต่างๆมาวิจัยใครควรใ ห, ใ, หให้ให้ให้ให้ทองแท้นี่นะก็สมูหะคณะก็ไม่ถูกทําลายและกิจของนามธรรมารูปธรรมทั้งหลายใช่ไหมเพราะเราเข้าใจว่าเราทํากิจหมดเลยนะอย่าลืมนะเราคิดเราแรงต่างเนี่ยแต่ถ้าเราไปเข้าใจกิจจาร า, าักษิะของเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันรูปะขันอันนี้เราจะรู้ว่าโอกิจต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของรูปและนามต่างๆเป็นผู้ทํา ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทำลายคณะเหล่านี้จนถอนความเห็นผิดถอนความเข้าใจผิดในรูปในนามเหล่านั้นได้ตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นจะห่างไกลจะห่างไกลเลยทีนี้ถ้ากำหนดนำมากรรมฐานเนี่ยนะสำคัญที่ญาณปัญญาของผู้ปฏิบัตินี่นะที่จะไปกำหนดรูรปธรรมาดีแล้วดังกล่าวใช่ไหมให้สังเกตดัวนะว่า เพราะความเราจะเจาะไปจากการที่มีจิตเป็นประธานก็ดีนะที่สนจริงก็ไปสืบค้นในทวาวรต่างๆเพื่อไปรู้รูปนามในถวาวรนั้นๆแล้วก็เพื่อจะเห็นความเป็นไปของรูปนามในถวาวรนั้นๆโดยความไม่เที่ยงอย่างหนึ่งโดยความเป็นทุกข์อย่างหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาอย่างหนึ่งโดยความไม่งามเป็นต้นอย่างหนึ่งใช่ไหมจะต้องเจาะลงไปถึงตรงนี้แหละ แต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องเห็นความสืบต่อเป็นไปกันเป็นสันตติคณะให้ชัดสมุหคณ า, าหให้ชัดแล้วเห็นกิจจกคณะให้ชัดแล้วเหตุผลต่างๆไหมในด้านของนามรูปปริเฉทญาณปัจจะบริขยานเนี่ยมันจะได้ชัดก่อนถึงจะยกรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นขึ้นสู่ไตรลักษณ์อย่างเงี้ยมันจะเป็นไตลักษณะอย่างนี้อรนะบอน แม่บอลก็ต้องพิจารณาเพาราะหลักอย่างนั้นเลยหลักวิจัยเลย อ, อ๋อคืออย่างนี้เขาคืออย่างงี้นะว่ากรณีที่ชัดนั่นแหละอันนั้นแหละจะเป็นร่องรอยแกการสืบค้นไปสิ่งที่ไม่ชัดให้ชัดขึ้นได้แต่ไม่ใช่หยุดอยู่แค่ชัดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอันนั้นแหละ อันนัเาเป็นบันไดไต่เข้าไปเพื่อจะทําชัดเจนยิ่งขึ้นได้ตามกําลังยานปัญญาแต่ละบุคคลความความขนาดไม่เท่ากันถ้าหากภาษาลิบุตรก็เห็นไหม ย, ยานปัญญาของภาษาโวกทั้งหมดใ น, นภาษาริบุตครไข้ครวนได้หมดเลยก็หมายความว่ายานปัญญาที่ภาษาโวกทุกรูปที่เคยกําหนดรูปนามกัน5ได้ละเอียดเพียงใดภาษาลิบุตรละเอียดกว่านั้น